ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับร่มโพ ร, ร่มไสรของพวกเรานะครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมใน จ, ใจิตใจถ้าครูบาอาจารย์ล้มหายตายจากไปแต่ละองค์เหมือนกับ ร, ร่มโพร่มไสต้นมักใหญ่ปเปลือกเปล่านะ่ยล้มลงขนาดท่านลนะ่ะพวกเราเป็นนกกาอาศัยนกหนู ป, ปูปีกทั้งหลายที่อาศัยร่มโพ ร, ร่มไส ใจหายใจความไปเหมือนกันนะถ้าผู้หวังทำออย่างพระพุทธเจ้าปรินิพานอย่างนั้นนะพระสงฆ์สาวกที่ยังมีกิเลสอยู่ท่านคร้องผมร้องให้ถ้าว่าท่านผู้ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วหมดความเศร้าโศกท่านก็ปองความสลดสังเวชเออร่างกายสังขารไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย เสมอกันในส่วนร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นคนละแนวคนละเรื่องจิตใจของพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารท่านทิ้งถาดขันเหมือนกับทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคําอันนี้คือพระหานท่านปวงความสลดสังเวชนอกจากนั่นกับพระปุตชนทั้งหลายก็เสียอกเสียใจ ร้องโ h o ร้องให้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถือคบเพลิงและเป็นผู้นําทางให้พวกเราทั้งหลายแต่พวกเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าก็หนี้ไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยให้พวกเราจะต้องมืดมนอนตการหาผนทางที่จะสอบแสวงหาผนทางพ้นทุกข์ลำบาก ถ้าบอกพวกที่เจ้าเป็นผู้นําแล้วเป็นผู้ชี้แนะชี้นำพวกเราก็จะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายอันนี้คือความคิดของพระสาวกที่เป็นปุถุชนในยุคนั้นท่านก็มีความเสียอกเสียใจนับตั้งแต่พระโสดาบันลงมาเนี่เสียอกเสียใจทั้งหมดอสักตาคามีลงมามีแตพระอนาคามีเท่านั้นแหละเป็นผู้ หมดความเศร้าโศกหมดราคาโทสะยังเหลือแต่อวิชฌมโมหะยังติดอยู่นิดหน่อยสําหรับพระนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันเนี่ยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างพระสกทาคามีก็ชาติหนึ่งพระโสดาบันเนี่ยสามระดับเกิดชาติหนึ่ง สาชาติเจดชาตนะิอันนี้คือของพระโสดาบันวันนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานพระโสดาบันทั้งหลายท่านก็สลดสังเวชเหมือนกันนะอย่างพระอานุ์อย่างเนี้ต่อมาอย่างพวกครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ล่วงลับดับขันไปอย่างที่พวกเราเห็นนะนะั่นสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ลุกสิทธ์ลูกหาก็หอมล้อมได้ฟังโอวาทของท่านได้เห็นท่าน น, านี่สัมมนานจะทัศนังในเห็นองค์ท่านประพฤติปฏิบัติดีพวกเราก็มีกําลังใจมีความภาคภูมิใจมีกําลังใจในเห็นองค์ท่านถ้าว่าไม่เห็นองค์ท่านจะรู้สึกว่าจิตใจมันยังไงก็ไม่รู้นะไม่อยากจะไปดูในจุดนั้นอีกต่างหากอันนี้อย่างคิดอย่าง ผมนี่แหละเป็นต้นเวลาเราเดินทางไปปูโจก้อยเนี่ยทั้งที่หลวงปูท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งอกตั้งใจอยากขึ้นไปกราบองค์หลวงปูพอไปเห็นท่านท่านทักทายท่านถามท่านให้ธรรมะเออรู้สึกภาคภูมิอุ่นอกอุ่นใจแต่นี้พอท่านจากไปเท่านั้นแ่ะไม่อยากจะขึ้นไปเลยแบบนั้นเลย จะขึ้นไปจะขึ้นไปกราบเจดีของท่านท่า น, นั้นนะทีนี้ขึ้นไปก็คล้ายๆกับว่ามันว้าวอ้างว้างอยูอยู่ในจิตในใจอย่างนั้นอะ่ะมันไม่เหมือนองค์ท่านอยู่อันนี้แหละคือความคาดที่พึ่งทางจิตใจอย่างลึกๆเพราะงั้น อ, อันนี้หนึ่งเป็นอย่างผมนะแต่องค์อื่นถ้าอาจจะมีกำลังใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแต่สาหรับเราเนะี่มันเป็นอย่างนั้น ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือสุดอกสุดใจแล้วก็นั่นแนะ่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่างท่านไม่สบายอย่างนี้ถึงเราจะไม่ได้เข้าไปใกล้แต่ใจของเราก็ยังวิตกกงังวลว่าเราจะช่วยเหลือท่านได้ยังไงแต่ทางว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้นี่ยยินดีเลยเพราะงั้นแต่แต่นี่ไม่ใช่แต่เราองค์เดียวหลายอง เข้าไปมันจะไปขวางเขาหรือเปล่าเหนเราต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะั่นนะความเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรแต่ทางว่าทุกอย่างถ้าเป็นหน้าที่หรือว่าพร้อมเลย <c oughs> เรายินดีเลยแบบนั้นเถอะเอาตัวเข้าประกันเอาคอเข้าประกันเนะี่ยทำสุดความสามารถจริงๆนะกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เราเคารพนับถืออันนี้ก็คือยึด แนวแถวของครูบาอาจารย์ยึดไม่ใช่ยึดอาจารย์นะถ้าจะวัดยึดอาจารย์ก็ถูกยึดพระธรรมของท่านยึดแนวทางของท่านอยึดทำคําสั่งสอนของท่านคิดว่าท่านสั่งสอนมาเราพิจารณานดูแล้วด้วยปัญญาของเราไม่จงเป็นวัดปัญญาของคนอื่นหรอกงั้นด้วยปัญญาของเราเราเชื่อมั่นว่าที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นไม่ผิดถ้าเราจะเปรียบเทียบกับหลัก พระธรรมหรือพระไตรปิฎกอย่างนี้ยเอามาเปรียบเทียบดูแล้วไม่ผิดแต่ว่าแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําไปนั้นมันเป็นไปได้ถ้าจะว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตามพระไตรปิฎกพูดบางสิ่งบางอย่างเหมือนเหมือนกับทฤษฎีกับภาคปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างมันไปกันได้ยาก แต่ถ้าว่าพ่อแม่กูบาอาจารย์ที่ท่านพาดาเนินมาแล้วท่านทำอย่างนี้ทำตรงนี้เดินอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ปล่อยวางอย่างนี้จะรู้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนแล้วรู้สึกว่าใจของเราได้รับความสงบรมเย็นเป็นสุขสรุปแล้วก็คือเราเชื่อในแนวแถวของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวแถวของหลวงปู่มันท่านหลวงปู่มันท่านก็นแนะนําสั่งสอนหลวงปู่หลวงตาที่พวกเราเคารพนับถือท่านก็ถ่ายทอดมาถึงพวกเราอย่างที่หลวงตาท่านก็รู้ทั้งฝ่ายประหยัดทั้งปฏิบัติของท่านใด้ด้วยท่านก็สืบทอดมาจากองค์หลวงปู่มันทั้งภาคปฏิบัติทางฝ่ายประหยัดท่านก็ เ, เรงเรียนศึกษา ได้ทั้งสองอย่างทั้งปฏิบัติ ด, ด้วยทั้งปริยัติ ด, ด้วยเพราะนั้นท่านพระธรรมหรือคําสังสอนของท่านที่เทศธรรมเทศนาเป็นหนังสือเป็นเทปอะไรก็ดีที่ท่านดึกคิดหรือท่านพูดออกมาถ้าเปรียบเทียบแล้วก็กว้างขวางมีเหตุผลเทียบกันได้ทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติอันนี้แหะ เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติอย่างนี้ผมว่าไม่เสียเที่ยวเสียทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังให้พวกเราได้เห็นร่องรอยในทำคําสั่งสอนและเป็นผู้พาดําเนินปฏิปทาต่างๆการเป็นอยู่ทุกอย่างกิจวัตรทุกอย่างเพราะฉะนั้นพวกเราให้ เดินตามแถวแนวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแหละจ ะ, จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถึงไหนที่จะหายนะให้พวกเราให้สำรวมให้ระวังอย่าให้มันมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพวกเราที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นแนวแถวถ้าจะว่าศีลก็ใช่นะคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบ เขาจัดในหมวดศีลศีราจารวัตคือการเป็นอยู่การวางตัวการกระทํากายวาจาให้อยู่ในกรอบให้เดินตามแถวแนวของครูบาอาจารย์ที่พันพาดำเนินมาอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือศีลในเมื่อเราเดินถูกต้องถูกทาง ไม่ผิดแปลกแหวกแนวใจของเราก็สบายคนอื่นเขาเห็นเขาก็สบายใจครูบาอาจารย์เห็นก็สบายใจหมู่พวกคบคาสมาคมก็สบายใจเพราะเราไม่ออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในหลักธรรมภายในของพระพุทธเจ้านี่แหละในเมื่อลักษณะอย่างนั้นแล้วตัวของเรานะะั่นล่ะจะได้รับความ สะวกสบายสบายจิตสบายใจถึงจะลำบากทางกายอันนั้นก็ต้องมีคนเราเกิดมามันก็ต้องมีแหละจะให้สุขสบายทุกอย่างเป็นไปไม่ได้กินตามอำเภอใจนอนตามอาเภอใจพูดตามอาเภอใจอันนั้นจะจัดว่าเป็นความสุขใช่หรือไม่มันก็ไม่ใช่เหมือนกันถ้าทำอย่างนั้นตามอำเภอใจทั้งหมด เราเห็นไหมมันไปทําให้จิตใจของเราเฟื่องฟูจิตใจขงเราไปทางกิเลสทําให้คนอื่นเดือดร้อนผลในสุดผลจะท้อนย้อนกลับมาหาใจของเราเนะ่ะมันไม่ใช่ความสุขแล้วนะมันทกได้หมะคือจุดคือเราไม่มีกรอบไม่มีเครื่องกําบังไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยทำตามอเาเภอใจทําตามอัตถาใจคิดตามอัตถาใจ ไม่คิดอยู่ในหลักธรรมพินยัยไม่ได้คิดอยู่ในหลักธรรมหลักธรรมถึงอยากคิดก็ไม่คิดถ้าคิดก็คิดอยู่ในหลักธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากาหนดจิตใจให้สงบอันนี้ก็คือวิธีการคิดวิธีการพูดก็เหมือนกันพูดให้เป็นศีลเป็นธรรมพูดมาให้การเบาะแว่งไม่ดูถูกเกียติยำคนอื่น ไม่ทําให้หมู่พวกเพื่อนเสียอกเสียใจถึงจะพูดให้เสียอกเสียใจก็คือการแนะนําสั่งสอนอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนรู้จริงเห็นจริงไม่ได้ให้จิบหายว่างั้นเถอ ะ, อะไม่ได้คิดให้ในใจไม่ให้ไม่ได้คิดว่าให้จีบหายมีแต่คิดให้อยากจะให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นผู้มีสติปัญญาอันนี้ก็คือการถ้าจะว่าไปก็เหมือนกระยาขม กินยาขมเข้าไปแล้วสุขภาพร่างกายมันหายจากโรคภัยไข้เจ็บดีกว่ากินยาหวานกินยาหวานเพิ่มเข้าไปทําให้มันซดลงการยกย่องสนเส ร, ริญในทางที่ผิดเหมือนกับกินยาหวานพอกินเข้าไปแล้วมันก็ยิ่งเสียหายทําความชั่วกับยุโยงกันส่งเสริมกันมาถูกและถูกต้องนะก็ยิ่งทําความชั่วเข้าไปอันนั้นเป็ว่ายาหวาน กินเข้าไปเสียหายทายาคมถ้าทาผิดตูอดด่ดาว่ากล่าวเราก็ไม่ชอบใจแต่ว่ามันเป็นผลออกมาแล้วถูกทางสบายอกสบายใจต่อไปภายภาคหน้าอู้ทาว่าเราทําอย่างนั้นถ้าไม่มีการดุด่าว่ากล่าวไม่มีครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนตักเตือนว่ากล่าวเราคงจะถลำลึกไปกว่านี้ แต่นี่ผู้ภพเพื่อนครูบาอาจารย์แนะนําว่ากล่าวตักเตือนในช่วงนั้นเราไม่พอใจอย่างมากแต่ว่ามาถึงจุดนี้เราเห็นพระคุณเราเห็นคุณของครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือแปลว่ายาขมเหมือนกันกินยาขมแล้วมันหายหายจากความคึกขนองหายจากความชั่วทางกายทางวิจาทางใจอันนี้จะไม่ดีกว่าหรือ น, นี่เราเข้าไปศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กัอย่างนั้นแหละถ้าว่าเรารู้แล้วเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปศึกษาถามไทยเข้าไปหาครูบาอาจารย์เราก็ออกไปเองแต่นี่เราก็ยังอ่อนอยู่เราก็าไปศึกษาศึกษากับครูบาอาจารย์แถวแนวภาคปฏิบัติเมื่อท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรเร า, เาก็อุเข้าใจอย่างไรจากนั้นมาเราคน นำมาประพฤติปฏิบัติเป็นตัวของตัวเองท่านก็ไม่ได้แบ่งสันปันส่วนจากเราไปเมื่อเราได้จากท่านมาแล้วเราปฏิบัติเองท่านก็ไม่ได้อะไรจากเราเมือท่านที่จะให้ความเมตตาให้ความสั่งสอนเพื่อท่านได้รับจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าไปศึกษาท่านได้รับมาอย่างไงท่านก็ถ่ายทอดสั่งสอนพวกเราเป็นอย่างนั้นพวกเรา เมื่อเป็นผู้ใหญ่ที่จะถ่ายทอดต่อไปทางหน้าเอาถ่ายทอดต่อไปก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไร เ, เพียงแต่ว่าเมื่อได้รับมาแล้วก็ควรจะถ่ายทอดในทำคาสั่งสอนของอูปบาจารย์ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, านั่นแนหะอันนี้ก็คือทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มาถึงยุคนี้สมั ย, น, ยมนี้กับนี่แหละเพราะการถ่ายทอดออกมานี่แหละแต่ว่าการถ่ายทอดนั้นจะเท็จจริงมากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละองค์เป็นเรื่องของแต่ละยุคอีกเหมือนกันแต่ถ้าพระอรหันต์ต่อพระอรหันต์ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันก็คล้ายๆแตบถึงจะไม่รวยแหลมก็เป็นการคงเส้นคงวาแต่ถ้าว่าผู้มีกิเลสถ่ายทอดกันลงมามันก็สักจะเข้าข้างตัวเองเหมือนกันนะ่ะ ช่วยโดยแหลมไปเลยก็ยังดีกว่าที่ไม่ถ่ายทอดเลยแต่อย่างน้อยก็คือเป็นแถวเป็นแนวอยากน้อยก็รู้อย่างไรสอนอย่างนั้นปฏิบัติอย่างไรรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมขั้นไหนก็สอนอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นแนวแถวสําหรับให้พวกเราได้ศึกษาจากนั้นผู้มีอุปนิสัยมักผลนิพพานอยู่ในกิตในใจเอาพยายามสองแสวงหาให้ ก่าวไกลขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกนใะนขอให้พวกเราทุกๆท่านนะตั้งอกตั้งใจภาวนาสรุปแล้วก็คือให้เป็นพระที่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ดียาทำทำไปแล้วก็เดือดร้อนใจของเราเดือดร้อนหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้แต่ถ้าว่าเราทำดีแล้วมีแต่ความผาสุขในใจิตในใจไปสถานที่ใดก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนันนะ ธรรมะคุ้มครองผู้ปฏิบัติดีพระธรรมครุ้มครองพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตกไปในที่ชั่วพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากทางว่าไม่ปฏิบัติธรรมแลอดอยากเลยแต่ทตัวไม่ดีแล้นะคนไม่เลือกใส่นับถืออดอยากถ้าทางว่าทําตัวเป็นคนดีแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไปเถอะมนุษย์ไปเห็นเทวดาก็เห็น ไปที่ไหนไม่อดไม่อยากถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วถ้าออกนอกรู น, นอกทางอะไรอยไปคิดนะอ่อจนนะทุกนะอ่านี่แหละเพราะฉะนั้นให้มุ่งมั่นอ่าในศีลในธรรมเราเป็นพระเหมาบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ต่อหลักพระธรรมคําสั่งสอนอ่พระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะั่นน่ะท่านสอนว่าอย่างไรเราก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้น ระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ตามเอมข้าพเจ้าขอหมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าได้ประมาทผ่าด พ, พังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พู้แม่กูบายจารย์ทางกายทางวาจาทางใจที่ระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ด้วยความโง่เขลาบาวปัญญาก็ขอมหากรุณาธิคุณเหล่านั้นอ้โหสิให้ข้าพเจ้าด้วยอันนี้ก่อนหลับนอนเราต้องน้อมนึกอย่างนั้นอยู่เสมอจิตใจของเราจรึงจะสูงสง่ง จิตใจของเราจะสบายจิตใจของเราจะไม่เหยียบย่าทําลายไม่ดูถูกเหยียบย่ำครูบาอาจารย์คำว่าครูบาอาจารย์คำนี้ไม่ใช่ว่าจะสอนหมดทุกอย่างไม่ใช่สิ่งไหนก็ตามที่สอนเผื่อเราละความชั่วได้บางอย่างความชั่วได้บางขณะหรือความชั่วได้บางอันอย่างนี้กณะบั้นวถุนั่นคือเป็นครูบาอาจารย์เราได้เป็นเป็นผู้ชี้แนะเราได้ อย่างพระอาจาชิอย่างนี้ท่านสอนภาษาริบุตรเยตมาเหตุตุตภาวเพียงขนาดนั้นภาษาริบุตรได้เป็นพระโสดาบันเป็นครั้งแรกดวงตาเห็นธรรมพระอาจาชิอยู่ในสถานที่ใดภาษาริบุตรยังหันศีรษะไปทางนั้นก่อนนอนกล่าบป้ายรำลึกถึงพระอาจาชินี่ที่เป็นอาจารย์เพราะนั้นผู้ใดติดชี้แนวทางให้ตัวเอง ได้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาสว่างในจิตในใจถือว่าผู้นั้นเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรานะอันนี้ไงวะถึงจะไม่ใช่ทั้งหมดเราก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงครูโรงเรียนที่สอนพวกเราอย่างนี้รู้จักกอไก่ขอไข่อันนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ระดับหนึ่งพ่อแม่ของเราเหมือนกันที่ให้กาเนิด เราเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็สอนเป็นบุปผาจานท์สอนเป็นคนแรกให้เราทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราเราก็ระลึกถึงพระคุณของท่านนั่นคือพ่อแม่พระคุณของพ่อของแม่มากมายมหาศาลที่ท่านได้เลี้ยงเรามาแต่นั้นก็ครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งตลอดถึงครูบาอาจารย์สอนที่จะให้เราละกิเลสราคะโทสะโมหะ ที่จะถอดถอนกิเลสราคะโทสะออกจากจิตใจจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนเนี่ยถ้าเราได้รับศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราถอดถอนได้จริงๆนั่นแหละเราจะรำลึกถึงพระคุณของท่านไม่มีวันลืมขอให้พวกเราทุกๆท่าน ตั้งใจนะเรื่องภาวานาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งเรื่องภาวานาเนี่ยมันมีอยู่สองสมถะกับวิปัสสนาสมถะคือทำจิตให้สงบเราให้รู้จักวิธีการเปิดและวิธีการปิดวิธีการคิดและวิธีการหยุดคิดทำยังไงจึงจะหยุดคิดทำยังไงจึงจะคิด คิดยังไงจึงจะไม่มีพิษมีโทษตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาวิธีคิดคิดอย่างไรวิธีวิธีหยุดคิดหยุดอย่างไรนี่อันนี้เราก็ได้ศึกษาได้พูดกันมานานต่อนานมากต่อมากวิธีการจะหยุดคิดก็คือพยายามเอาจิตจับกับกรรมาฐานใดกรรมาฐานหนึ่งพุโทโธธรรมโมสังโฆ กำหนดอาณาปานสติไม่ให้ใจนึกคิดไปทางอื่นให้นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธในใจเอไม่ให้คิดไปทางอื่นนึกพุโทโธให้ถี่ยิบจนไม่มีช่องว่างที่จะให้มันคิดไปทางอื่นอันนี้ก็คือการภาวนาที่จะทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งคือเราจะปิดสวิตช์ว่า ง, งั้นจ้ะ เราจะปิดสวิตไฟให้มันอยู่นิ่งแต่ในเวลาเราจะเปิดเราก็จะเปิดกับพิจารณาพิจารณาอย่างที่พระเจ้าคุบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพิจารณากายกายของเรามีอะไรบ้างเรานั่งจุก ป, ปุกขึนมมีอะไรบ้างที่มันหลงหลือหลงกายเนี่ยถ้ามันหลงกายแลย้วมันก็นหลงหลงไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่หลงกายไม่มีที่จะหลงราคะโทสะโมหะ มันออกไปจากกายนี่แหละถ้าเราเพิจารณากายกายของเรามีอะไรบ้างเกษาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพระบวชใหมให่ท่านให้ประทานกรรมฐ า, านห้าใ ห, ให้เกษาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจก็คือหนังเกษาคือผมโลมาคือขนนาขาคือเล็บทันตาคือฟันต ะ, ตะโจคือหนังเพียงตอนนี้พอก่อนเนอมีเวลาน้อย ยังค่อยพิจารณาทีหลังท่านก็นบอกอย่างนั้นทีนี้เราเมื่อพิจารณาทีหลังเอาอย่างไงเกษาเราเพิจารณาเป็นเช่นเช่นอยู่บนศีรษะของพวกเราเราก็มาตกแต่งให้มันสวยงามแต่ที่แท้เมื่อมันหลุดออกมาแล้วเมื่อตัดออกไปแล้วมันเป็นยังไงถ้าเราไม่รักษาไม่สะล้างไม่ซักฟอกแล้วมันเป็นยังไงมีกลิ่นมีสีมีสันฐานอย่างไร ออกไปจากศรีรษะของเร า, เาแล้วก็มีตัวเขาตัวเลนอะไรเข้าไปเกาะ อ, อยู่ในนั่นอะ่ะมันสกรปรกแล้วมันเป็นยังไง อ, อันนี้ก็คือผมตองในสะในล่างได้ซักในฟอกไว้อยู่เสมอที่ผูเ้เจาเอาเก็บผ ม, มบเอาไว้พระพุทธเจ้าเห็นพลาดเป็นเยื่องยุ่งเหยิ ง, ยงวุ่นวายในปงผมทิ้งทั้งหมด หลังกับกำหนดอีกว่าไม่ให้ยาวเกินสององคุลีคือสองข้อนิ้วมือไม่ให้ยาวกว่านั้นถ้าเกินยาวกว่านั้นปรับโทษอีกเป็นธรบัติทุกกฎสาหรับพระเพราะฉนั้นพระท่านไม่ให้ยุ่งเหยิงไม่ให้ตกแต่งผมอันนี้คือผมออกมาจากศีรษะแล้วเป็นยังไงทําให้รักษากระสุกกับปลอกโลมาขนในร่างกายของเราเป็นยังไง ถ้ามันหลุดมันร่วงใส่อาหารยาขยะขยะแหยงหน้าขาเล็บไปยังไงถ้าไม่ตัดไม่ซัไม่ล้างขี่เล็บดํามำเป็นยังไงหน้าขยะขะแหยงทันตาฟันต้องได้ขัดต้องได้ใช้แปลงขัดต้องได้ลูต้องได้ทําความสะอาดถ้าไม่อย่างนั้นถ้าฟันหลุดแล้วเป็นปยังไงหลุดใส่อาหาร ถ้าฟันตัวเองไม่เป็นไรถ้าฟันคนอื่นน่ะเป็นยังไงเนี่นั่นสซกกรปกแต่โจหนังเอีตัวหนังนี่แหละที่มันหุ้มร่างกายอยู่เนี่ยที่มันหอหุ้มร่างกายอยู่เนี่ยถ้าว่าเราไม่สะไม่ล้างไม่อาบน้ําให้มันวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นยงไงถ้าเกินห้าหกเจ็ดวันเป็นยังไงกลิ่นคุ้งไปหมดยิ่งเป็นหน้าร้อนจะทํายังไงเหม็นคุ้งไปหมด ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชครวตไม่ว่าใครทั้งหมดละ่ะเหม็นสาบเหม็นคาวไปหมดละ่ะต้องได้สะได้ล้างสรุปแล้วก็คือร่างกายนี้เหมือนกับเป็นกระเป๋าหนังเหมือนกระเป๋าใบหนึ่งห่อหุ้มร่างกายาแต่ห่อหุ้มของปฏิกูลของสกปรก อ, อยู่ข้างในคือมีขี้มีเยี่ยวอยู่ข้างในมีเลือดมีหน้อง อยู่ข้างในห่อหุ้มเอาไว้วันดีคืนดีทางเหงือออกมาเนี่ย น, นั่นแหละมันก็ะซึมออกมาเจ้าตัวก็ต้องไปอาบน้ำชาระเ็ษถูเอาสบู่เอาอะไรฉลมปิดทับเอาไว้ไม่ให้มันมีกลิน่นนี่แหละหนังมันห่อหุ้มไว้อย่างนั้นแหะแต่แสนนังมันยังทะลักออกมาตามรูขมตามทวารทางก้าว ขีตาขีหูขีจมูกอุจจละปัสสาวะที่มันถ่ายเทถ่ายทอดออกมาจากร่างกายนี่เป็นทอระบายของมันสิ่งเหล่านี้เราต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านให้เห็นตามความเป็นจริงการู้เห็นตามความเป็นจริงเออสภาพร่างกายนี่เป็นอย่างนี้ถึงจะเสร็จสวยงดงามอย่างไร เราเป็นผู้อุปโลกไดาเป็นผู้ปกเสกเป็นผู้ให้ความสำคัญมันแต่เนื้อแท้ของร่างกายแล้วมันมีอุจจะละมีปัสสวะมีน้ำอของปฏิกูลมีเลือดอมันอยู่ข้างในแล้วก็มีโครงกระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายถ้าถอดกระดูกองหมดร่างกายไปนี้ก็เหมือนกับถุงถุง กระเป๋าหนังที่ใส่น้ํามาใส่อะไรของเลวๆข้างในนะมีแต่เนื้อมีแต่ของอย่างอื่นเอากระดูกออกหมดแล้วแต่นี้ที่มองกันได้นี่เพราะกระดูกโครงกระดูกแต่นี้ถ้าว่าเราถลกหนังออกหมดถ ล, ถลกเนื้อออกหมดให้เหลือแต่โครงกระดูกเท่านี้เอากำหนดพิจารณาโครงกระดูกไปสิที่เราเคยเห็นโครงกระดูกในที่สถานที่ต่างๆในหนังสือก็ดี ที่โรงพยาบาลก็ดีตามวัดตามวาที่เราไปเจอไปพบไปเห็นโครงกระดูกนั้นเป็นโครงกระดูกมนุษย์ใช่ไหม อ, อย่างโครงกระดูกบ้านเซียงอย่างเนี้ยเราเห็นเขานอนเนี่ยอาจจะเป็นกระดูกเราก็ได้แต่ขายนั้นมันตายไปแล้วเนี่ยกระดูกมันยังเหลืออยู่แต่จิตใจมันออกไปแล้วเหมือนกับแก้เสื้ออย่างที่ว่านั่นแหละร่างกายเหมือนกับเสือ้อแต่จิตใจมันเหมือนกับคน ทิ้งกองเอาไว้เสือ้อนสะนใจนะ่ะไปหาเกิดพบภูมิต่างๆไปแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วแต่ร่างกายนะั้นมันยังเหลืออยู่อย่างนอนอยู่ทับทับถมแผ่นดินอยู่ข้างล่างนะเขาฝังเอาไว้นี่แหละนะร่างกายของเราไหนนั่งอยู่นี้ทุกคนนะมีกระดูกไหมนะนะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีมีแต่เราจะเห็นหรือไม่ทนเองแต่นี้ เห็นหรือไม่เห็นก็ตามให้กําหนดดูอ่เปรียบเทียบดูนี่แหละใจเนี่ยคือสังขารสังขารคือความปรุงแต่งถ้าปรุงไปในทางที่ดีปรุงที่จะออกที่จะหลุดพ้นจากกิเลสแต่ว่าสังขารมัสมัคคะคือปฏิปทาพาดําเนินที่จะหาทางพ้นทุกข์คือสแสวงหาทางพ้นทุกข์สังขารมัคแต่ถ้าว่าเราใช้สังขารคือความปรุงแต่ง ไปได้ทางสวยงามไปทางทางเลิดเลือไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้เราสังขารเป็นสมุทยัยเหตุให้ทุกเกิดเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาสังขารเนี่ยสังขารมีสองนะในตัวของเราเนี่ยเราจะน้อมไปทางไหนเราจะน้อมไปทางมรรคหรือจะน้อมไปทางสมุทยัยเป็นทางมรรคทางปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะในกันนี้แหละเดินทางมรรค เพียนาร่างกายสังขารเห็นตามความเป็นจริงกระดูกเป็นยังไงถ้าไม่มีเนื้อมีหนังติดอยู่แล้วก็อย่างที่พวกเราเห็นนั่นแหะเราก็เป็นอย่างนั้นละ่ะไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละสรุปแล้วก็คือถอนความยึดมั่นถือมันในร่างกายการที่จะถอนได้ไม่ใช่ธรรมดาเลยไม่ใช่เรื่องธรรมดาหนักมากๆ กิเลสตอนนี้มันกิเลสติดภพติดชาติมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเป็นอาสองไขเป็นไม่รู้กี่อสองไขแล้วใจกับกายของเราเนี่ไปเกิดในภพภูมิใด ก, ก็รักดูอย่างนั้นน่ะแต่ตามไม่จริงรักถึงรักอย่างไงก็ตามกายเนี่จะต้องแก่จะต้องเก็บจะต้องตายผลในสู่ก็ยังไม่ยอมตายเลยทำไมมาเกิดกับเรา คนอื่นทําไมไม่เจ็บไม่ปวดอย่างนี้ทําไมไม่พาเราไปหาหมอรักษาให้หายไอคืออยากจะหายอยูน่นะคือไม่อยากจะตายอยากจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายใจดวงนี้อยากจะอยู่กับกายอ้นี้แต่กายนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันหมดสภาพของมันมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บตายถึงจะไม่เจ็บก็ถอ่มันก็ตายได้เหมือนกันแต่แต่ร่างกายนี่จะต้องดูแลอุปถรรัมภะถากใจทรงช่วยมันอยู่ตลอดเนี่ย พาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพาอยู่พากินเป็นภาระทั้งหมดใจเป็นหัวหน้าเด็ดใจเป็นหัวหน้ากายเป็นเบาใจเป็นนายกายเป็นเบาดูแลกายใจของเราเนี่ยดูแลร่างกายจะทํำยังไงจึงจะอยู่นานเท่านานเก็บทสภาพของมันมันแตกกระจายไปเหมือนกันนั่นใจก็เป็นทุกข์ไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะแตก แยกจากกายเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ทุกมากเออเหมือนกับคนที่รักรักแสนรักแล้วแยกจากกันอย่างนั้นนะอันนี้มันกว่านั้นอีกว่างั้นเถอะกายจะแยกจากใจเนี่ยมันกว่านั้นอีกว่างั้นเถอะที่ว่าใจที่จะถอนออกจากกายเนี่ยนะมันกว่านั้นอีกว่างั้นเถอะอุปทานการยึดมั่นถือมั่นตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึง ให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรใช้ความอดทนอย่างมากๆเนี่ยที่จะถอดถอนกิเลสออกจากใจตัวนี้ให้ออกมาให้ได้ออกมาได้ไม่ใช่ธรรมดาอุปทานการยึดมัน่นถือมัน่นกายกับใจตัวนี้เพราะนั้นพวกเราอย่าไปมองแบบผิวเผินไม่ได้นะมองแบบผิวเผิน ไ, ได้ต้องดูให้ลึกซึ้งดูให้ละเอียดไม่ใช่สติปัญญาธรรมดา หลวงตาท่านตั้งขึ้นมาแล้วมหาสติมหาปัญญาไม่ใช่สติปัญญาแบบเรื่อนลอยธรรมดาเห็นแบบงูปลาเห็นแบบธรรมดาไม่ใช่แปลว่าไม่มีเผลอเลยแบางั้นเถอะมหาสติมหาปัญญาจึงจะถอดถอนกิเลสออกจากความยึดมั่นถือมั่นนี้ได้สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในใจของเราทั้งหมดนั่นแหละถ้าพิจารณาไปแล้ว ตรวจตาดูแล้วพิจาร่างกายดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใจไปให้ความสําคัญใจไปให้ความหมายใจไปทุกทรมานกับสิ่งไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนเราไปทุกข์กับภูผาป่าไม่อย่างนั้นนะทุกข์กับไร่ทุกข์กับนาทุกข์กับลูกกับเมียกับคนอื่นนั่นแหะหลังากอย่างนั้นผลที่สมาทุกข์กับกายตัวเองอีกกายนั้นมันไม่ใช่เราผลที่สุดพระพุทธเจ้าท่านให้ถอน พร อ, อยู่ในใจได้บาะเนี่ยธรรมะมาอยู่ในใจเท่านั้นน่ะกิเลสอยู่ในใจมันอยู่ในที่เดียวกันเหมือนกันแรู้ก็ไม่รู้นั่นถ้าว่าเรารู้ขึ้นมาเหมือนถ้าเราจุดไฟขึ้นมาแล้วแสงสว่างขึ้นมาแล้วความมืดมันก็หายไปอย่างนั้นน่ะแต่เดี๋ยวนี้มันความมืดมันยังควบคุมจิตใจเราอยู่เรายังหาเทียนหาไม่ขีดยังไม่เจ อ, อ ง, งั้นแต่คำใช้คำขวาคำหน้าคำหลังอยู่เหมนกันเลย ที่จะหาไม่ขีดจุดขึ้นมาเพื่อจะให้แสงสว่างมันขึ้นมาแล้วความมืดมันจะหายไปนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละใจของเราเดี๋ยวนี้มันยังมืดมนพอนการด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่มันอยู่ในที่เดียวกันแต่เมื่อใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็จุดไฟขึ้นมาในจุดนั้นแหละกิเลสทั้งหลายแล้วก็ความมืดทั้งหลายถึงจะมา เป็นอนันตการเป็นอาสงไขยกลับก็เถอะเออเหมือนกับความมืดอยู่ในรรมอย่างนั้นนะเออมันไม่เคยถูกแสงสว่างแต่พอเราไปจุดไฟเข้ามาพอแสงสว่างขึ้นมาความมืดมันก็หายไปเหมือนกันความมืดไม่ต่อต้านความสว่างได้อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่มาพวกเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงแล้ว การยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราว่าใจเป็นของเราอพบชาติของเราเนี่ยแหละเราก็จะหลัดทิ้งมันออกได้เพราะฉนั้นพวกเราให้พิราณานะถ้าพิรณาไปแล้วตรวจตราดูแล้วพิรณาร่างกายดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใจไปให้ความสําคัญใจไปให้ความหมายใจไปทุกทรมานกับสิ่งเอไม่ใช่ตัวตนของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อพิจารณาข้างนอกให้ย้อนเข้ามาทางข้างในให้ดูใจจุดใจนั่นแหละเป็นจุดที่สำคัญอย่างมากแต่ปู ป, ปับจะมาพิจารณาใจเลยไม่ได้นะยมันเป็นสัญญามเป็นสังขารนี่แหละเพราะนั่มันต้องไต่ตเต้าขึ้นมาลูกปุก๊บคำคลำขึ้นมาไล่มาเรื่อยๆจนถึงจุดนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วนะ่ะเอใช้ตลมบอลเขาเ้าไปาะง้ทั้งอกทั้งเขา่าทั้งอะไรละบาดเนี่ยฟาดกัน จนถึงใครดีใครอยู่นั่นอหละผลในสุดก็กิเลสมันก็แตกออกจากใจของเราสรุปแล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในใจของเราทั้งหมดนั่นแหละอุปทานการยึดมัน่นถือมัน่นกายกับใจตัวนี้เพราะนั้นพวกเราอย่าไปมองแบบผิวเผินไม่ได้น ะ, ะต้องดูให้ลึกซึ้งให้ดูใจเพราะนั้นพวกเราให้เดินตามแถวแนวของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ติดชี้แนวทางให้ตัวเองได้รู้แจ้งเห็นจริงสว่างในจิตในใจถือว่าผู้นั้นเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรานะครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราละกิเลสราคะโทสะโมหะจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนเนี่ยถ้าเราได้รับศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อเราถอดถอนได้จริงๆนั่นแหะ เราจะลำลึกถึงพระคุณของท่านไม่มีวันลืม